การสละโลกตามประเพณีของคนไทยเราถือกันมานานแล้วว่าการบวชมีอ น, นิสงฆ์มากพ่อแม่ที่มีลูกชายสำหรับในสมัยก่อนนั้นจะมีความดีใจมากอยู่อย่างหนึ่งคือดีใจว่าเมื่อโตขึ้นแล้วจะได้บวชลูกโดยที่พ่อแม่จะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้บวชฝ่ายลูกชายก็จะถือว่าถ้ายังไม่ได้บวช ก็แปลว่ายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่เพราะการทดแทนอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่าบุญคุณของพ่อแม่เท่ากับการบวชอันที่จริงการบวชเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงจริงและถือเป็นกฎตายตัวได้เลยทีเดียวว่าถ้าคนไหนไม่เคยผ่านการบวชมาในอดีตชาติในปัจจุบัน ก็จะไม่มีจิตใจโน้มน้อมไปในการบวชเลยไม่ว่าจะมีการชักจูงกันสักเพียงไรก็ตามและถ้าหากคนไหนเนคัมมะบา ร, รมีมีไม่พอก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์แม้ในขั้นต่ำๆคือความทุกข์ในชีวิตประจำวันอย่างที่มีอยู่ทั่วๆไปได้เพราะคนที่ไม่เคยผ่านการบวชนั้นอำนาจในการบังคับใจตัวเองจะมีน้อยมาก จะถูกกามฉันทะครอบงำอยู่ตลอดเวลาจิตใจส่วนมากจะไฝ่ไปในทางต่ำและครั้นแล้วปัญหายุ่งยากต่างๆซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้และเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการบวชจึงเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆ ขอให้พิจารณาดูจากหลักในเรื่องมรตมีองแปดซึ่งมีหลักตายตัวว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามมรตมีองแปดจะไม่มีทางที่จะพ้นทุกได้เลยต่อให้มีความรู้ในด้านอื่นนิเศษสักเพียงไรก็ตามหรือแม้จะมีเงินมีอำนาจมากมายสักเพียงไรก็ตามและขอให้สังเกตว่าในเรื่องมรตมีองแปดนั้น คนที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องมีสัมมาสังกัปปะซึ่งแปลว่าความดําริชอบและความดําริชอบในที่นี้มีความหมายอยู่สามอย่างคือหนึ่งคิดออกจากการรมสองไม่คิดพยาบาทสไม่คิดเบียดเบียนคนที่จะพ้นทุกข์ได้ในชีวิตประจําวันจะต้องมีความคิดสามอย่างนี้เป็นพื้นฐานอยู่เสมอ และถ้าหากิตก้าวหน้าขึ้นไปมากเพียงใดความคิดสามอย่างนี้ก็จะหนักแน่นยิ่งขึ้นเพียงนั้นจะกระทั่งในที่สุดจะถึงกับยอมเสียสละหมดทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อที่จะรักษาความคิดทั้งสามอย่างนี้ไว้และความคิดทั้งสามอย่างนี้ก็จะกลายเป็นนิสัยสันดานประจําตัวจากหลักที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นได้ว่า ถ้าคนเราไม่คิดที่จะออกจากกรามกันบ้างแล้วเราไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นโปรดอย่าได้หลงไหลยอยู่กับการสแสวงหาเงินสแสวงหาชื่อเสียงสแสวงหาอำนาจและสแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่อย่างเดียวขอให้พยายามละ ก, กิเลสกันบ้างแต่อย่างไรก็ดีการละ ก, กิเลสจะต้องเป็นสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไป จะบังคับเพื่อให้เป็นไปอย่างใจปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะความเจริญของจิตใจก็เหมือนกับต้นไม้ซึ่งค่อยเป็นค่อยไปและกว่าจะมีดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาตามธรรมชาติของมันเราจะไปเร่งให้ต้นไม้ผลิตดอกออกผลเร็วเกินกว่าเวลาตามธรรมชาติของมันไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะการผลิต ด, ดอกออกผลของต้นไม้แต่ละชนิด จะต้องอาศัยรากฐานในตัวมันเองหลายอย่างและจะต้องอาศัยความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมด้วยถ้ารากฐานต่างๆของมันยังไม่เจริญถึงขีดต้นไม้ก็จะไม่ผลิตด อ, อกออกผลความเจริญในด้านจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยรากฐานในด้านคุณธรรมหลายอย่างและยังจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอีกด้วยเช่นคนที่คิดจะละ ก, กามาันทะน้น แม้จะมีความเข้าใจในเหตุผลในเรื่องนี้ลึกซึ้งสักเพียงไรก็ตามแต่ถ้าหากรากฐานในด้านอื่นๆของจิตใจยังเจริญไม่พอเช่นความเมตตากรุณายังมีน้อยความเสียสละความอดทนความกล้าหาญก็ยังมีน้อยประสบการณ์ในทางโลกก็ยังมีน้อยความอิ่มตัวในเรื่องลาบสการะ และในเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆก็ยังไม่มีในส่วนลึกของจิตใจยังมีความต้องการในเรื่องวัตถุอีกมากความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็ยังไม่เคยจะถูกอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากรากฐานต่างๆเหล่านี้มีไม่พอแล้วไม่มีทางที่คนเราจะละ ก, เกลิเลสได้และจะหาวิธีรัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่า ความเจริญของจิตใจต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับความเจริญของต้นไม้อันหนึ่งโดยปกติผู้ที่เป็นคารวาสที่มีจิตใจเจริญนั้นส่วนมากก็มักจะมีความปรารถนาใคร่ที่จะออกบวชหรือพูดอีกในหนึ่งว่าต้องการสละโลกซึ่งบางคนก็เพียงแต่ดำริอยู่ในใจเท่านั้นแต่บางคนก็สละโลกไปบวชจริงๆ ในจํานวนผู้ที่ไปบวชนี้บางคนก็บวชชั่วคราวแต่บางคนก็ตั้งใจบวชจนตลอดชีวิตการบวชถ้าหากเป็นไปด้วยเจตนาที่หวังจะละกิเลสหรือหวังเพื่อจะสร้างจิตใจให้สูงการบวชเช่นนี้แม้จะเป็นการบวชชั่วคราวก็ได้อ น, นิสงฆ์มากและทุกคนก็ควรจะได้ผ่านการบวชการบวชจะได้อ น, นิสงฆ์มากหรือน้อย ความสำคัญอยู่ที่เจตนาผู้ใดถ้าหากไปบวชเพื่อหวังผลอย่างอื่นโดยไม่ได้คิดที่จะละ ก, กิเลสเลยการบวชเช่นนี้แม้จะพยายามรักษาวินัยให้เคร่งครัดสักเพียงไรก็จะได้ผลในทางจิตใจน้อยที่สุดและยิ่งนานวันความกดดันอันเรื่องมาจากกิเลสก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับและเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว การรักษาวิเนก็จะเป็นไปในรูปของการหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นเพื่อหวังผลในทางลาบส ก, การะเท่านั้นและจิตใจก็จะค่อยๆเสื่อมโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งในที่สุดคนทั่วไปก็อาจจะสังเกตเห็นได้ว่านักบวชประเภทนี้ผู้ที่เป็นคารวะจิตใจยังจะสูงกว่านี่คือภายที่ร้ายแรง หรือผูอ้ในหนึ่งคือการขอรับท่านในวงการศาสนาซึ่งภาวะเช่นนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่มีทั่วทุกศาสนาขอให้พิจารณาดูศาสนาต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนถ้าสมัยใดศาสนาไม่ค่อยจะมีที่พลในสังคมคุณค่าของนักบวชได้ถอยอันดับจากตำแหน่ง ที่ครั้งหนึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่ยกย่องนับถืออย่างสูงลงมาอยู่ในอันดับต่ำกว่าฆราวาสแล้วก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงว่าในวงการาศาสนาจะต้องมีการคอร์รัปชันในความหมายดังที่กล่าวนี้มาแน่นอนและในสมัยเสื่อมนี้เราก็จะพบว่านักบวชได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนแต่ในรูปของประเพณี ส่วนใจจริงของประชาชนไม่ค่อยได้นับถือส่วนบุคคลในฐานะอื่นเช่นพวกแพทย์นักการเมืองนักการทหารนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นกลับได้รับความเคารพนับถือมากกว่าและขอให้พยายามสังเกตอีกแง่หนึ่งว่าในสมัยที่าศาสนาตกต่ำนั้นแม้แต่นักบวชเองก็ไม่ค่อยจะมีความภูมิใจในตัวเอง แต่ในเวลาเดียวกันกลับเป็นนิยมชมชื่นคราวาสผู้ที่อยู่ในฐานะที่คนทั่วไปนิยมยกย่องอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ทั่วไปในวงการาศาสนาทั่วโลกซึ่งพูดได้ว่านับตั้งแต่สมัยที่วิทยาศาสตร์ได้เริ่มมีบทบาทในวงงานต่างๆซึ่งผลงานของวิชานี้ได้สร้างความเจริญให้แก่โลกอย่างเห็นได้ชัด อิทธิพลของศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมลงข้าพเจ้ามีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเส้นผมบางภูเขาคือถ้าคนไหนไม่คิดก็ไม่รู้แต่ถ้าใช้ความคิดสักเล็กน้อยก็จะเห็นกระจ่างทันทีเสมือนหนึ่งเราเขีย่ยเอาเส้นผมที่บางลูกตานั้นออกซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยครั้นแล้วเราก็จะเห็นภูเขาได้อย่างชัดเจนข้อคิดที่ว่านี้ก็คือ เมืองไทยในชั่วระยะเกือบร้อยปีมานี้ในสมัยนั้นความเจริญในทางโลกยังด้อยกว่าในทางศาสนามากแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเราจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาในทางโลกซึ่งเมื่อก่อนมีน้อยนั้นเดี๋ยวนี้มีแพร่หลายมากประชาชนทุกชั้นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่นิยมศึกษากันในขนาดที่เรียกว่ายอมทุ่มเททุกอย่าง ทั้งที่ทางฝ่ายรัฐบาลและเอกชนได้พยายามทุ่มเทลงทุนกันมากมายสถานศึกษาก็ยังมีไม่พอแต่เมื่อหันมามองดูถึงความสนใจที่คนมีต่อศาสนาหรือสถาบันการศึกษาในทางศาสนาแล้วเราจะแลเห็นว่าผิดกันไกลมากทั้งนี้เพราะอะไรตัวอย่างเช่นการแพทย์แผนปัจจุบันในเมืองไทย เพ่งจะเริ่มมีมาไม่ถึงร้อยปีแต่ในเวลาเดียวกันสถาบันทางศาสนาได้มีมาก่อนนานมากและเจริญกว่ามากมายสมมติว่าสถาบันการแพทย์มีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่จะเรียนแพทย์ทุกคนจะต้องเป็นนักบวชจะแต่งงานไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องกับความสุขในทางโลกไม่ได้ถ้าสมมติว่ากฎมีอยู่อย่างนี้ เราก็จะพบว่าคนที่จะเรียนวิชาแพทย์จะมีน้อยที่สุดแม้ผู้ที่เรียนอยู่ก็มีความลังเลไม่ค่อยจะตั้งใจในการเรียนเท่าไรนักเว้นไว้แต่จะมีกฎอีกอย่างว่าผู้ใดเรียนสําเร็จออกมาแล้วสามารถที่จะมีครอบครัวได้ถ้าอย่างนี้ก็จะตั้งใจเรียนแต่ถึงกระนั้นเพราะเหตุที่คนเรายังมีกิเลส ยังมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องความสุขในทางโลกและอีกอย่างวิชาแพทย์ไม่ใช่วิชาที่เป็นไปเพื่อการละกิเลสแต่ผู้ที่เรียนจะต้องทำตัวเหมือนกับพระนั้นแน่นอนนักเรียนเหล่านี้ส่วนมากจะต้องฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่างๆและถ้าหากสถาบันเข้มงวดในเรื่องระเบียบวินัยมากผลสุดท้ายก็คือ ผู้ที่ตั้งใจเรียนจริงๆจะมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนและที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มีสมองดีระดับสติปัญญาสูงมาตั้งแต่เกิดและมีโอกาสที่จะเรียนทางอื่นหาเงินโดยวิธีอื่นได้ดีกว่าเขาก็จะไม่มาเรียนวิชาแพทย์สมมติว่าสถาบาันการแพทย์เป็นไปในรูปนี้จริงๆเราก็บอกได้ทันทีว่า การแพทย์ในเมืองไทยจะไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับที่เป็นอยู่ในขณะนี้แน่นอนนี่คือกระจกเงาที่ส่องให้เห็นถึงผลร้ายของความกดดันอันเนื่องมาจากกามฉชันทะได้เป็นอย่างดีและเป็นเส้นผมบางภูเขากามฉชันทะถ้าหาได้รับการกล่อมกล่าวให้ดีและรู้จักนำมาใช้ก็เป็นสิ่งที่มีคุณมากและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งด้วย โดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะฝึกสมาธิและเจริญวิปั ส, สนาได้เพราะการมาฉันทะเป็นแรงงานของชีวิตเสมือนหนึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญของเครื่องจักรเพราะฉะนั้นคนที่ผีพลามที่จะสละโลกโดยไม่ได้มองดูรากฐานในทางจิตใจของตัวเองให้ดีเสียก่อน ก็จะไม่ผิดอะไรกับคนที่มีความรู้เพียงแค่ชั้นประถมหรือมัธยมตอนต้นแต่แล้วก็พยายามเข้าเรียนในชั้นมหาวิทยาลัยซึ่งคนที่เรียนได้ก็อาจจะมีแต่เปอร์เซ็นต์ของคนที่เรียนได้สำเร็จและมีความสามารถดีด้วยนั้นจะมีน้อยที่สุดข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการบวชเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคน เพระการบวชคือจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของคนเราซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคนในระดับไหนถ้าหากยังไม่รู้จักคุณค่าแห่งชีวิตของนักบวชการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านจิตใจถ้ายังไม่อยู่ในรูปของนักบวชเช่นยังไม่มีความสันโดษไม่รู้จักแสวงหาความสุขจากภายในอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลย ความเป็นกษัตริย์หรือความเป็นจกักรพรรดิแม้จะยิ่งใหญ่สักเพียงใดซึ่งเมื่อกล่าวกันโดยความเป็นจริงไม่ใช่ถือตามสมมติของคนในโลกฐานะของกษัตริย์ย่ำต่ำกว่าฐานะของนักบวชเพราะทุกคนต้องการความพ้นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นจกักรพรรดิก็ต้องการพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ในเมื่อพ้นทุกข์ไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าการบวชคือจุดหมายปลายทางของคนเราทุกคนกามฉันทะถ้าหากเรารู้จักนํามาใช้ด้วยความฉลาดและด้วยการรู้เท่าถึงสภาพของมันจริงๆถ้าทั้งที่เราก็ยังอยู่กับกามฉันทะมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับกิเลสแต่แล้วเราก็จะพบว่า ความรู้สึกในด้านนี้จะค่อยๆเปลี่ยนรูปไปในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับแต่อย่างไรก็ดีเรื่องกามารมเป็นบทเรียนที่เข้าใจยากที่สุดทั้งที่แต่ละคนก็ได้เคยผ่านชีวิตแบบนี้มานับชาติไม่ถ้วนและทุกๆชาติเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายแต่แล้วเราก็ไม่อาจที่จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ฉะนั้น จึงเป็นของธรรมดาที่คนเราจะต้องเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกเช่นเดียวกับหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือที่เราจําเป็นจะต้องอ่านแต่เมื่ออ่านทีไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักทีได้หน้าลืมหลังก็เป็นการจําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องอ่านแล้วอ่านอีกเรื่องกามารมเป็นตําราเล่มใหญ่ที่ทุกคนจะต้องอ่านให้เข้าใจและไม่มีทางหลีกด้วยที่จะไม่อ่าน ฉะนั้นเมื่อเราอ่านไม่เข้าใจมันก็ต้องอ่านกันแล้วอ่านกันอีกนั่นหมายความว่าเราจําเป็นต้องมีชีวิตจําเจอยู่กับกามารมณ์นับชาติไม่ท้วนทั้งที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่ก็หนีไม่พ้นและไม่ทราบว่าเมื่อไรเราจึงจะรู้แจ้งจนกระทั่งในที่สุดสามารถปลีกตัวออกมาจากมันได้โดยไม่มีความกดดัน ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าคนที่จะเริ่มรู้สึกเห็นโทษของการมฉันทะและเริ่มจะควบคุมกิเลสตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถฝึกสมาธิได้จเจริญวิปัสสนาได้เพราะความสุขที่เกิดจากสมาธิและวิปัสสนาน้นเป็นสิ่งชดเชยสำหรับในเรื่องการมฉันทะโดยตรงแต่ถึงกรน้นผู้ที่มีสมาธิไม่สูงวิปัสสนาไม่สูงจริง ก็จะยังละกามาชันทะไม่ได้ยังจะต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะแม้แต่พระโพธิสัตว์ซึ่งในเมื่อบา ร, รมียังไม่สูงพอที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็ยังจะต้องเวียนไหวาตายเกิดและวนเวียนอยู่กับกามาชันทะในบางชาติแม้จะเคยออกบวชตั้งแต่หนุม่มและอยู่ไปจนกระทั่งตลอดชีวิตแต่แล้ว ในวางชาติต่อมาก็ยังจะต้องเป็นคารวะมีครอบครัวหมุนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าความรู้สึกในด้านกามฉันทะจะหมดความจําเป็นเพราะบารมีทุกอย่างในอันที่จะทําให้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์หมดทุกข้อแล้วเมื่อถึงขั้นนี้การตัดกามราคะหรือกามฉันทะให้ขาดจากสันดานก็เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยาก เพราะนั้นขอให้สังเกตดูให้ดีว่าคนเราถ้าจิตยังไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วไม่มีทางที่จะ ล, กกละกิเลสตัวนี้ได้เด็ดขาดนอกจากจะบรรเทาให้น้อยลงหรือกล่อมกล่าวให้ดีขึ้นหรือระ ง, งับไว้ชั่วคราวเท่านั้นจากหลักฐานต่างๆที่ได้กล่าวมานี้เราจะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เป็นนักบวช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและแก่สังคมได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีจิตใจสูงพอโดยเฉพาะความกดดันจะต้องไม่มีและต้องสามารถหาความสุขจากสมาธิและวิปัสสนาได้ซึ่งเป็นความสุขสำหรับนักบวชโดยตรงความสุขอันนี้เท่านั้นที่จะชดเชยความสุขในทางโลกได้และเหนือสิ่งอื่นใด ความมุ่งหมายในการบวชจะต้องเป็นไปเพื่อการละกิเลสเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานความมุ่งหมายอันนี้จะต้องอยู่เหนือความมุ่งหมายในด้านอื่นทั้งหมดนักบวชคนใดถ้ารู้ตัวว่าจิตใจไม่สูงถึงขั้นนี้ก็ไม่ควรจะบวชอยู่นานเพราะถ้ายิ่งบวชอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะขาดทุนมากขึ้นเท่านั้นและขอได้โปรดสังเกตว่า ในสมัยใดถ้าหากในวงการศาสนามีนักบวชประเภทที่มีความกดดันอยู่มากก็เป็นอันหวังได้ว่าการคอร์รัปชันในวงการศาสนาจะต้องมีและสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีการคอร์รัปชันก็คือผลงานที่แท้จริงของศาสนาคือผลในทางจิตใจนั้นจะไม่ค่อยเห็นแต่จะไปเห็นผลในทางวัตถุมากกว่า ซึ่งก็เป็นผลอย่างเดียวกับที่คาราวาสเ้าทำแต่แล้วเพราะเหตุที่นักบวชโดยมากไม่สามารถจะทำอะไรได้ถนัดเหมือนกับคาราวาสและส่วนมากก็มีมีความชำนาญในงานด้านวัตถุเพราะฉะนั้นผลงานจึงสู้ฝ่ายที่คาราวาสเขาทำไม่ได้แต่นี่ก็ยังไม่ใช่เรื่องสาคัญเรื่องสาคัญอยู่ตรงที่ว่าศิลธรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุด สำหรับมนุษย์ในโลกและจำเป็นทุกยุคทุกสมัยถ้าหากศีลธรรมในสังคมเสื่อมก็หมายถึงว่าศาสนาไม่มีอำนาจพอที่จะโน้มน้าวจิตใจข้าคนส่วนใหญ่ให้อยู่ในศีลธรรมโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นตัวจากสำคัญของบ้านเมืองให้ประพฤติอยู่ในทางศีลธรรมได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมหมายถึงว่า ในวงการศาสนาได้มีความอ่อนแอเกิดขึ้นซึ่งความอ่อนแอที่ว่านี้เป็นผลมาจากอะไรก็ะเจ้าจขอให้ท่านทั้งหลายโปรดศึกษาพุทธภาษิตดังต่อไปนี้กุโสยาถาทุกขะิโตหัตถเมวานุการตติสามัญยังทุ ป, ปรมามัดถังนิรายูประกัตติยางกินจิสิทลังกรรมมังสังคิริตถันจะยางวะตาง สังกาสรังพรมจริยางนาตังโหติมหัพลังกยิราเจกยิราเถนงังทันหาเมนางปรักกเมสิทิเลหิปริภาโชพิโยอากิระเตระชังคำแปลยาคาถ้าจับไว้ไม่ดีคือจับไม่แน่นแล้วดึงย่อมจะบาดมือผู้จับแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะเมื่อปฏิบัติไม่ดี ก็ยอมจะนำผู้ปฏิบัติเข้าไปในนรกฉันนั้นการงานอะไรก็ตามเมื่อทำอย่างย่อหย่อนข้อวัดปฏิบัติที่ทำอย่างไม่บริสุทธิ์การประพฤติพรหมจรรย์ชนิดที่ตนเองก็รู้สึกรังเกยียจในความประพฤติของตนการกระทาดังที่กล่าวมานี้ย่อมไม่มีผลมากเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ควรจะทำสิ่งนั้นให้มั่นคง คืออย่าจับจดหรือทำไม่จริงควรจะบากบั่นก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะการบวชหรือการเป็นบรรพชิตชนิดที่ย่อหย่อนนั้นมีแต่จะเพิ่มภูมิกิเลตในสั้นดานให้มากขึ้น